พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6มีนาคม2555มีชื่อเรื่องว่าระลึกอย่างไรเมื่อถึงวันสำคัญ คูบารวยลิงก็น่าจะรวยด้วยเหมือนกันถ้าวันไหนคูบาจนลิงก็ต้องจนเอาไปให้ไปเห็นหน้าหน้าสงสารมันอยู่ข้างหน้าแต่ลิงในวัดของเรามีอยู่สามพวกนะพวกหนึ่งอยู่ทางคูบาเนี่ยพวกหนึ่งอยู่ทางนี้เล้พวกหนึ่งอยู่หน้าวัดถ้าหากว่าทั้งสามพวกนีไปเจอกันเมื่อไหร่กันโอ้เสียงสนั่นวันไหวนะ แต่หัวหน้าไม่กัดเองนะหัวหน้ากลัวเจ็บแบบนั้นแต่แตยุให้ลูกน้องทหารกล้าทหารไม่จะไ ป, ไปเผชิญกับหญิงเขี้ยวใส่กันเลยขย่มกิ่งไม้ใส่กันร้องตะโกนอีกต่างหากเอแต่หัวหน้าใหญ่เลยมีแต่ตะโกนอยู่ทั้งหลังหมู่เลยไอหางงอนะไปดูด้วยถ้าพวกเราเห็นเลียงฝูงไหนเห็นตัวให ญ, ใหญ่ขึ้นมาแล้วกันหางชี้งออย่างนี้น ไม่หางกระดกไม่หางตกนะั่นตัวนั้นแหละหัวหน้าหมูเหมือนกันนะจา่าฝูงเหมือนกันนะเหมือนกับพวกเราไปเห็นไอ้คนคุมถนนคนงานนั่นแนหะคนไหนเป็นวิศวกรใหญ่ใส่หมวกเข้าไปแล้วก็ถือแฟ้มนะ่ะคนนั้นแหะเป็นเป็นหัวหน้าใหญ่เอนกะันอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเห็นลิงนี่ก็ตัวใ น, นหางชี้งอเดินท่าทางอสมมารสมมานั่นแหละตัว น, นั้นแหละเป็นหัวหน้าฝูงเหงือนนะันมีตัวเดียวท่านนะ หัวหน้าฝูงมีอยู่ตัวเดียวถ้าสามกลุ่มแล้วก็นสามหัวหน้าแล้วว่างั้นเลยเนี่ยะพอสามหัวหน้าพาลูกน้องไปเจอกันเนี่ยหัวหน้าไม่กล้าเข้าไปไปเชิญเนะหัวหน้ากลัวเจ็บว่างั้นเลยกลัวกัดกันปล่อยให้ลูกน้องทหารกล้าตัวเองน่ยไปไปเชิญกันไปเชิญกับว่าจะไล่กันมาไล่กันไปเลยไอ้แต่หัวหน้าเนี่ยอยู่ทั้งหลังนี่ยโคล้แล้วงั้นเอาเซ้เอาเซ้เอาเซ้หัวน้า ยุให้ลูกน้องกัดกันมือางั้นไอ้ลูกน้องเมื่อกลัวเจ็บเหมือนกันทําท่าไล่กันไปทําท่าไล่กันมาอยู่งันหน่วงกันเราเห็นแล้วก็หัวเลาะเหมือนกัน่ะเออสัตต์ิฏาิฉันถ้าต่างคนต่างอยู่ซะก็หมดเรื่องวัดของเราทั้งกว้างขวางทั้งพันกว่าไร่อยู่ทั้งมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็จบอันนี้นะอยู่ที่ไหนก็คงจะมาอวดศักดิดากันต้องดูเอมามันจะมากัดกันอีกตัางหาก เนี่ยหลวงพ่อเห็นลิงอยู่หน้าวัดดูๆแล้วก็หน้านี้รู้สึกว่ามันขนหมดขนหลน่นมันค ง, งจะขาดอาหารนะั่นหลวงพ่อก็ดูๆปีนี้เขาหน่าจะให้มันมาแต่ก็บอกพระเหมือนกันนะถ้าตัวไหนที่เป็นหัวหน้าเน่ะมันไม่มันรื้อเออมันจะกัดคน่ะบางทีมันขู่คนเหมือนกันนะเวลาคนเห็นถืออาหารแลือถือกระเป๋าหรือถืออะไรอะไรมาเนี่ย มันจะหนิงเขี่ยวเสยมันจะกัดถ้าตัวไหนเป็นลักษณะอย่างนั้นบอกนะจับตัว น, นั้น่ะออจับยังไงนะนุ่นมันมีกรงอยู่เอาอาหารเข้าไปในกรงอล้ล่อเข้าไปในกรงจากนั้นก็จับเลยจับนุ่นเอาไปโผดนเอภาษาอีสานก็เอาไปผดนะไปโผดค่อยๆเ อ, เอาไปเอาไปทิ้งในป่าลึกๆน่นุ่นไปวัดป่าบ้านเพิ่มเอาไป หลุบเปล่าเอาไปวัดปา่านาแคแต่วัดปา่าหลุบเปล่าเนี่ยหลุบเปลามันเป็นที่ป่าสงวนนะมันก็เนื้อที่มันเป็นหมื่นกว่าไร่นั่นนะมันกว้างขวางมากบ้านเพิ่มนี่นก็หลายพันไร่แล้วก็ น, นาแคนี่นก็สี่ห้าหกพันไร่พอตอนั้นเราไปปล่อยเนี่ยนะไปปล่อยที่มันกว้างมันอยู่ใกล้คนมาได้มืองเด้อ น, นะมึงเด้อมันต้องเอาไปโพสต์ะ เอาไปปล่อยไว้ในป่านะแต่เขาก็มีหมูของเขาเมันกันนะมีหมูมีฝูงของเขาเมอนกันเนะี่ยเพราะเราไปปล่อยหลายครั้งดูดูแล้วในวัดของเราเนี่ยมาอยู่เนี่ยที่จับปลิงไปปล่อยเนี่ยหลวงพ่อว่าน่าจะถึงสักห้าร้อยตัวนะที่จับไปปล่อยเนี่ยอาจจะกว่าก็ได้นะไม่รู้ว่ากี่ครั้งถูกกี่หนแต่ก่อนบ้านผูกก้อนก็ไม่มีผูก้อนไม่มีลิง เออสรางอะไรส่างเจดีย์อะไรขึ้นมาพระกับเนื้อที่ทั้งสามพันสามพันกว่าไร่นี้หลังปูก้อนนี่ยท่านนับขึ้นท้่ภูเขาด้วยบริเวณวัดด้วยแล้หลวงพ่อก็ไปพูดกับหลวงพ่อชาลีนะหลวงพ่อชาลีเอาลิงไม่เนวะตามไม่จริงมีวัดมันก็ต้องมีลิงบ้างมีสัตว์บ้างดูดูแล้วมันก็จง ก, กระโดดโลดเต้ น, นดูดูแล้วก็นหนา่าดูนะถ้าวัดเงียบเขาไม่มี อะไรเลยนะี่ไม่มดีเนาะเอาลิงม า, มาปล่อยนะท่านก็ไม่พูดอะไรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อกขนลิงไปขนลิงเกือบสองร้อยตัวมั้งเอาจากนาคําน้อยไปวนะเนี่พอลิ้ยงมันพอหมูนะ่เนี่ยมันเป็นฝูงรนะบาดเลยโอ้ขึ้นไปฉีกไอ้พวกอต้นดอกไม้ท่านไหนที่มาปลูกรอบๆเจดียนะ์นั่นไงขึ้นไปบนหลังคาไอ้ ตึกสาลาลายแถวๆนั้นเลยท่านบอกว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาอีกแล้วเหมัอนกันพอแล้วอะไรเอาไปปล่อยทางอื่นหลยเอาเะไรไปปล่อยทางอื่นหนึ่งไปปล่อยทางบ้านนาแค่ไปทางปล่อยทางหลุกเปล่าไปปล่อยทางบ้านเพิ่มแต่แถบนั้นไปปล่อยแล้วไม่มาหาคนน่ะมันก็แปลกเหมือนกันน่ะเพรามันป่ามันกว้างปล่อยมันก็เข้าดงเล็บไปเลย แต่ที่ของวัดเรามันที่จํากัดถึงจะเป็นพันไร่กุ้งิงอยู่แต่ร้อมรอบมันเป็นหมู่บ้านทั้งหมดเป็นสวนยางทั้งหมดมันออกค้ากินไม่ได้เนี่ยมันก็เลยอยู่ในวัดของเราในวัดของเราก็เป็นมันก็มีพวกผลละหมากหลากไม้มีภากพวกต้นทรงต้นไส้ต้นใบไม้ที่มันอาหารเก่าแก่ของมันเป็นอาหารธรรมชาติ มันก็เลยอยู่ในวัดของเรานะนเนี่ยปกผนวเอนบางทีมันก็หิวเหมือนกันนะ่ะมาเห็นก็ตัวพร้อมนี่แหละบางทีก็ให้อาหารมันนะ่ะนี่แหละทำมาชาติจะว่ายังไงอยู่ในวัดแต่บางคนก็ถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อหลวงพ่อเนะี่ยสัตว์อยู่ในวัดลนะหนะลวงพ่อเนี่ยสัตว์อะไรมากออหลวงพ่อไปเห็นตะปวกระมดแล้วมาก ปูกระมดที่มากจริงๆว่ะแต่ว่าจะว่าลิงมากเขาไม่ใช่จะว่าหมูป่ามากก็าไม่ใช่แต่เห็นแต่ปวกระมดนําไปนะโอ้โหเป็นฝูงๆนะปวกระมดแล้วมากหลวงพ่อว่าอ้าอันนี้ก็เป็นสัตว์เหมือนกันใช่ไหมละ่ะอเจะว่าไม่ใช่สัตว์ได้ยังไงใช่ไหมแล้วเป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างหลวงพ่อเนี่ยที่มันมากนียพอจะตอบเป็นแยกประเภทใช่ไหมแต่ถามภาพรวมเนสัตว์ที่ อยู่ในวัดหลวงพ่อใ น, นสัตว์ใดมากเลยเราก็ตอบได้เลยบนะวกกับมดเออมื่อวานหลวงพ่อได้ไปไประชุมที่วัดโนนสว่างวัดหลวงปู่แผงวันที่ยี่สนะิบสี่ยี่สิบห้าจะมีงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แผงที่ท่านมรณภาพเมื่อก่อนเข้าบรรษาอายุของท่าน 76สบหปีพรรษาห้าสิบห้าเป็นพระเทระผู้ใหญ่ในเขตอำเภอนายูงของเราออกจากหลวงปู่แผงก็หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่มีอายุพรรษามากที่สุดนในช่วงนี้ในเขตนี่แหละน้ำโสมนายูงต่อไปก็เป็นหลวงพ่อชาลีต่อมา ก, ก็หลวงพ่อสดที่มีอายุพรรษาหลวงปู่แผงท่านมรณภาพก่อนข้อพรรษาก็ ลูกศิษย์ลูกหากขาเลยจะสร้างโบสถ์โบสถ์ยังไม่เสร็จทั้งค้างคาอยู่เดี๋ยวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คงจะสวดแล้วก็ฝังลูกนิมิตจากนั้นก็คงจะไปชุมเพลิงวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเมื่อวานเนี่ยเขเลยท่านเจานาเ้าคณะอําเภอทั้งสองอำเภออำเภอน้ำโสมอาเภอนายูงไปร่วมไปชุมกันหารือกันลุลงพ่อก็เลยไปนั่ง ร่วมประชุมด้วยวัดของเราก็ได้นำผ้าไตรไปสิบไตรแล้วก็ผ้าขาวไม้อีกสิบไม้ปัจจัยของวัดเราของคณะศัทธรรญาติโยมพวกเราทุกท่านนนะร่วมกันเอาไปถวายช่วยงานท่านห้ามือนเมื่อวานนี่าไปร่วมสมทบทําบุญกับหลวงปู่แผงเพราะว่าวันที่ยี่สบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ได้ ไปร่วมงานเพราะว่าหลวงพ่อจะได้ไปเป็นประธานหรือว่าจัดงานของคุณแม่ชีแก้วจังหวัดมุกดาหารอำเภอคำเช อ, อีีวันที่24สสวดมนต์เจ็นวันที่ย5ห้ากับเป็นวันทาบุญทาทานแต่กระตรงกันกับวัดหลวงปู่แผงทนี่แต่ตามไม่จริงวัดของคุณแม่ทางนู้นกาหนดก่อนกำหนดก่อ น, น, อนประจำปีเลย บอกว่าวันที่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีจะมีการทำบุญครอบรอบวันมราณะภาพของคุณแม่อันนี้ก็คือเราบอกไว้ยอย่างนั้นแล้วพนั้นมาเจอกับงานหลวงปู่แผงหลวงพ่อก็ได้ไปทำบุญก่อนแล้วก็บอกให้คณะกรรมการคณะสัตาญาติโยมแลวก็ครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์ให้รับทราบ พอวันที่24 25เนี่ยหลวงพ่อจะไม่ได้มาร่วมเนอะหลวงพ่อจะได้ไปทางมุกดาหารพอทางนู้นก็วางไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อเป็นตัวหลักเรือว่าเป็นประธานในการจัดงานเราทํามาอย่างนั้นทุกปีพอปีนี้หลวงพ่อก็จะได้ไปทางนู้นแหละแต่ถึงยังไงถึงจะไม่ได้มาหลวงพ่อก็ได้ เอาจิตุปัจจัยมาสมทบไฟก่อนให้ความสําคัญเหมือนกันไม่ได้ว่าไม่ให้ความสําคัญปล่อยปลันละเลยไม่ใช่หลวงพ่อก็ให้ความสําคัญในครูบาอาจารย์ที่อยู่ในท้องถิ่นของเราแต่มีความจําเป็นที่ต้องไปทางนู้นเมื่อวานยหลวงพ่อก็ได้บอกกับทางเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจายางโยมทางฝ่ายบ้านเมืองด้วยนะเพราะว่าเป็นงานพระราชทานเพลิง มีท่านนายอำเภอสงท่านปลัดไปประชุมแทนเมื่อวานนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่อีกไม่กี่วันก็ถึงวันมาฆบูชาวันนี้เป็นวันที่หกนะวันที่หกวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเป็นวันมาฆบูชาเพราะนั้นขอให้คณะทาญาิโยมทุกหมู่ทุกเราเตรียมตัวเตรียมใจเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวัน มาคบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พันสร้อยรูปไปชมกันที่วัดป่าเวรุวันแขวงกุงราชาคืออยู่ในตัวเมืองราชาคือเป็นสวนอุทยานเก่าของพระเจ้าปิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดป่าเวรุวันถวายต่อพระสงฆ์ถวายต่อพระพุทธเจ้า เป็นวัดแรกของพระพุทธศาสนาวัดป่าเวลวนอย่างนั้นตอนบ่ายของวันพุ่งนี้ลนะพระสงฆ์พันสงรสรูปมาประชุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดเน่แต่พระสงฆ์เหล่านั้นบวชกับพระพุทธเจ้าทุกองพระพุทธเจ้าเป็นองค์ที่บวชให้เป็นองค์ที่บวชให้พระสงฆ์เหล่านั้นทุกอง 1 2 5สองรห้าสบรูปบวช ด, ด้วยเอหิพิกุพอฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสจะบวชแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอหิพิกุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำและวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วให้พวกท่านประพฤติพรห ม, มจรรย์พระพุทธเจ้าตรัสเพียงแค่นี้ พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาไม่ได้ท่องเอซ่างพันเตสุจิระปรินิบุตธรรมปี่พระพุทธเจ้าแต่เพียงต่วนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้ขอเพียงบางท่านก็ขอบางท่านก็ไม่ได้ขอพอได้สําเร็จพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาคาอย่างพระอัญญโกณทัญญาเนี่ยท่านสําเร็จพระโสดาบันพอได้สําเร็จพระโสดาบันพระอัญญโกณทัญญะก็บอกว่า ข้าพเจ้าขอบวชในสำนักพระพุทธองค์เพราะพระัญญาโกนัญญารู้ธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาท่านในสําเร็จพระโสดาบันพระพุทธเจ้าก็ประกาศขึ้นในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าองค์ัญญาสีวัฏโภคนัญโยัญชาสีวัฏโภโคนัญโยโกลนัญญะรู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนอ พัน ญ, ญาโกนทัญญาก็จะบวชพระองค์ก็บวชให้เอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทาเรากล่าวดีแล้วทาและพินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วท่านจงประพฤติพรมประจันเพียงแค่นั้นบริขารก็ลอยมาท่านก็บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาอันนี้เมื่อวันพรุ่งนี้หละท่านเเมื่อพระพุทธเจ้า จะกำหนดพระธรรมวินัยจะกำหนดพระธรรมวินัยแล้วจะตั้งกฎระเบียบปกครองสงฆ์ถ้าจะเปรียบเทียบกับบ้านเมืองของเรานี่ก็ตั้งกฎรัฐธรร ม, มนูญกฎรัฐธรร ม, มนูญคือปกครองประเทศแต่พระพุทธเจ้าตั้งกฎหลักพระธรรมวินัยเพื่อปกครองสงฆ์ทีนี้พระพุทธองค์สมัยนั้นท่านก็ไม่มีวิทยุโทรทัศนะ์บอกกล่าว ท่านก็คงโทรจิตหลวงพ่อวาน่ะนอ้ในหลวงพ่อมันเป็นหลวงพ่อวัดโทรจิตโทรจิตคล้ายๆวะเออพระสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูปไที่บวชเอหิพิคุให้มาประชุมพร้อมกันตอนบ่ายนะวัดป่าเวลุวันพระพุทธองค์คงส่งกระแสจิตกระแสธรรมไปพระสงฆ์เหล่านั้นก็ได้รับอยู่ในป่ารงพงไพที่ไหนท่านก็เหาะมาเลยท่านน มาพร้อมกันมาพร้อมกันที่วัดป่าวเวรวนันเวลาบ่ายโมงจากนั้นพระองค์พอพร้อมกันนับได้วบาพันสองรห้าสิบรูปพระองค์ก็ขึ้นไปกล่าวเกี่ยวกับตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับวิ น, ยนัยนะเนี่ะเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายที่มาพร้อมกันแล้วตอนนี้ไปเราจะบัญญัติวินยัยเพื่อเป็นการปกครองสง ถ้าสง์มีมากไม่มีหลักพระธรรมวินยัยไม่มีกฎระเบียบอยู่ด้วยกันก็ไปคนละทิศละทางเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายเราจะตั้งกฎตั้งข้อวินัยขึ้นมายลักษณะอย่างนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้บัญญัติวินยัยบัรจวินัยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ตั้งใจเรียนศึกษาจำจากนั้นก็ได้ไปสวดพระปฏิโมกท่านให้โอวาทปฏิโมกข์ จากทัานพระสงฆ์ก็ได้ถือลักพระธรรมวินัยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่นี่แหละคือวันมาค่าบูชาอที่จะถึงเนี่ยถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาวันพุ่งนี้นะแต่ว่าวันสําคัญขนาดไหนก็เถอะแต่พวกเราไม่ให้ความสําคัญพวกเราทํายังไงก็ทำอย่างเก่าอยู่อันนั้นแปลว่าเราไม่ให้ความสําคัญ เราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลในวันสำคัญถ้าเราวันสำคัญเช่นนั้นมาถึงเราก็เออเข้าไปเจ้าลำลึกถึงลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกที่เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมเคารพสักการบูชาข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าในวันมาฆบูชาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ท่านบัญญัติวินัยมาถึงสองพันห้าร้อกว่าปีแต่หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นหลักพระธรรมวินัยมากระทั่งทุกวันนี้ถ้าพวกเราให้ความสําคัญอย่างนั้นก็พระธรรมวินัยก็สําคัญตัวของเราก็สําคัญนะแต่ถ้าว่าเราไม่ให้ความสําคัญพระธรรมวินัยก็ไม่สําคัญตัวของเราก็ไม่สําคัญวันคืนเดือนปีก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วก็จบนะ เพรนั้นพวกเราพุทธศาส น, นิกชนพวกเราท่านทั้งหลายควรจะเทิดทูนบูชาเพราะพวกเราเชื่อในบาปปุลคุณโทษเชื่อในกรรมดีทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาปปุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ถ้าว่าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะพาไปสู่ทุกขติถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีจะพาไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นพวกเราเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าวันมาฆบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งวันอาสาฬหบูชาวันที่รพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกพร้อมกัน วันนั้นก็เป็นวันสาคัญยิ่งจากนั้นก็เป็นวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาของพระสงค์ถ้าดูแล้วก็ไม่กี่วันนะไม่กี่วันที่เราพวกเราให้ความสำคัญแต่ตามไม่จริงทำคุณงามความดีเมื่อไรเมื่อนั้นสาคัญเมื่อนั้นถ้าเราคิดตามเนื้อหาสาระหรือว่านำทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดมากล่าวมาตัดแล้วก็นำมาวิเคราะห์ พระพุทธเจ้าพูดจริงไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าทําดีเวลาใดคู่ใดขณะใดเวลาใดวันไหนอาทิตย์ไหนเดือนไหนปีไหนเออปีนั้นแหละเดือนนั้นแหละอาทิตย์นั้นแหละวันนั้นแหละคู่ขณะนั้นแหละเป็นวันดีฮะถ้าว่าทําชั่วก็ตรงกันข้ามกันอีกเหมือนกันทําชั่วขณะไหนเวลาไหนก็เป็น เวลาชั่วเดือนชั่วปีชั่วปีนั้นอะเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยว่าท่านเน้นหนักก็บ่ากรรมคือการกระทำํำนะเราประมวลลงจุดนั้นเลยกรรมคือการกระทําถ้าลาทําดีเวลาไหนดีได้เวลานั้นถ้าเวลาเราทําชั่วเวลาไหนชั่วเวลานั้นเยเหมือนกับเราจับไฟเออ นาทีไหนวินาทีไหนจับเวลาไหนมันก็ร้อนเวลานั้นถ้าจับน่ําแข็งคู่ได้ขณะได้เวลาได้จับเวลาไหนก็มันก็เย็นเวลานั้นอันนี้หลักของพุทธศาสนาที่ท่านเน้นคือการกระทําเพราะฉะนั้นทําชั่วเหมือนกันกบจับไฟถ้าจับมากมันก็ไหม้มากร้อนมากไฟไหม้ถ้าจับน้อยก็ร้อนน้อยถ้าไม่จับฉเฉลย มันก็ใหม่ๆบุญเหมือนกันถ้าเราไม่ทําเสฉยๆมันก็ไม่เป็นบุญถ้าเราทําบุญมันก็เป็นบุญเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราทําสิ่งที่ดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความผาสุกทั้งหมดเพราะบุญกุศลคุ้มครองนะถ้าบับเข้ามาอยู่ในจิตใจเราไปที่ไหนเดือดร้อนทุกนะ ไปอยู่ในห้องแอร์ก็ทุกไปอยู่ในทิศนี่ไหนก็ทุกไปเลยเพราะความชั่วเข้ามาสู่จิตใจอยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสั่งสมแต่คุณงามความดีสั่งสมแต่บุญกุศลจะมีแต่ความสุขความเจริญนะไปอยู่ในสถานที่ใดก็มีแต่ความสุขอยู่ในล่มไม้ทรายเขาที่ไหนก็มีแต่ความสุขสุขหนอสุขหนอสุขหนอนะ่ออย่างพระพัตถยะกับพระมหากริน ท่านไปที่ไหนท่านก็บอสุขหนอสุขหนอเพราะอะไรสุขมันไม่อยู่ที่ไหนมันสุขอยู่ที่ใจของท่านคิดขึ้นมาแล้วก็เอืบอิ่มอิ่มอิ่มเอิบในจิตในใจไม่ได้ทําความชั่วช้าเสียหายอะไรทั้งหมดความพอใจความเต็มอิ่มในจิตในใจของท่านท่านไปณนะสถานที่ใดท่านว่าสุขไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนท่านั้นขอให้พวกเราทุกๆท่ททานนะให้ภาวนาเนี่ะ จะหาความสุขหาที่ไหนไม่เจอหรอกหาได้ที่ใจที่ใจของเราหนาเจอได้ที่นั่นทําไปหาที่อื่นหนาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ค้นคว้าเท่าไหร่ยิ่งทุกข์ถ้าหาที่ใจเราจะสุขนะเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ดูที่ใจดูที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจรับพรอนุโมทนาให้พร